อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรในกรุงเทพก็อยู่อย่างปกติสุขมาโดยตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามก็ก็เปิดกิจการเป็นร้านทำอาหารแล้วก็มีการส่งแบบ Delivery คือไม่ได้ มีลูกค้ามากินในร้านแต่ว่าทําส่งไปตามบ้านของลูกค้าทุกวันเนี่ยก็จะมีพวกไรเดอร์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ ย, ม, ย, ยมามาจอดที่หน้าบ้านเพื่อนเพื่อนบ้านตรงข้ามระหว่างที่นั่งคอยอาหารแล้วก็บางที พวกไรเดอร์เหล่านี้ก็มองมาที่บ้านของเธอนะซึ่งอยู่ตรงข้างกับร้านอาหารหรือบ้างที่ทำอาหารไรเดอร์นี่ก็มาตั้งแต่เช้านะ้าโมงถึงคำ่ำมีทีออยมาเรื่อยๆก็รวนแต่เป็นคนแปลกหน้าคนขี่มอเตอร์ไซค์หเหล่านี้เนี่ยเวลามา มารออาหารก็บางคนก็ถ่ายรูปในบ้านเธอคุณทำให้เธอเกิดความระแวงว่าอาจจะมีคนที่คิดไม่ดีไม่ร้ายเป็นพวกมิจฉาชีพเนี่แฝงตัวเข้ามาหรือจะเป็นพวกไรเดอร์เหล่านี้แหลนะที่อาจจะมีบางคนที่ทําอะไรไม่ชอบมาพากล เกิดความวิตกเกิดความกังวลเกิดความระแวง แ, วแค่ไม่กี่เดือนนะก็เครียดนะจกั่ต้องไปหาจิตแพทย์คือละ ว, วันเนี่ยเคยเคยบอกเพื่อนบ้านว่าอยากให้ ย้ายกิจการนะไปทําข้างนอกเพราะว่ามีคนมีโปรเจเดอร์เข้ามานี่อยู่หน้าบ้านเธอตรงข้ามบ้านเธอเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยเพื่อนบ้านก็บอกว่าก็คิดจะขยับขยายอยู่ก็เล็งห้องเช่านะตรงหน้าหมู่บ้าน แต่จนไรจนลอดเพื่อนบ้านก็ยังไม่ย้ายนะกิจการทำอาหารก็ยังคงมีไรเดอรนะ์มานั่งมาออกรอยู่ตรงหน้าบ้านเธอเพราะบังเอิญนะกิจการของเพื่อนบ้านกขาขายดีซะด้วยนะก็เลยมี ไรเดอร์เน่คือคนแปลกหน้านี่มาเยอมาทั้งวันเลยจนเย็ดจนคำ่ำเธอก็เห็นว่าขอร้องเพื่อนบ้านแล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็นเลยไปแจ้ง น, นิติกรหรือส่วนกลางให้ช่วยจัดการปัญหานี้หน่อยเราว่า มาลด ก, กวนความสงบสุขของเธอตอนหลังทางหมู่บ้านก็เลยมีระเบียบนะให้พวกไรเดอร์เนี่ยมาจอดอยู่ที่จอดรถที่หน้าหมู่บ้านแล้วก็เดินไปรับอาหารจากร้านนั้นก็ปรากฏว่ากิจการนะก็ได้รับผลกระทบ ขายอาหารได้น้อยลงเพื่อนบ้านก็เลยมีความไม่พอใจตัวเธอเองเนี่ยก็เกิดความไม่สบายใจว่าที่เธอทำไปอย่างนั้นเนี่ยมันบาปไหมก็เลยนะเขียนนะข้อความมาถาม เราก็ตอบไปว่าไม่มบาปแล้เพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาจะกลั่นแกล้งเขาเราเพียงแต่ทําสิ่งที่ควรทําก็คือปกป้องสิทธิของเราเพราะเราก็ต้องการความสงบสุขหรือความเป็นส่วนตัวในเมื่อเราไม่ได้มีเจตนาจะไปกั่นแกล้งเขา รึงแม้ว่าร้านเขาจะได้รับผลกระทบนะมีลูกค้าน้อยลงขายได้น้อยลงก็ไม่ถือว่าเป็นบาปแต่ปัญหาเธอจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ข้อนี้นะที่เป็นปัญหาจริงๆเนี่ยที่จับได้คือเธอรู้สึกเครียดรู้สึกไม่สบายใจที่เพื่อนบ้านสถานการณ์ไม่พอใจเธอ เช่นพอเห็นเธอก็หันหลังไม่พูดไม่คุยบางทีก็ปิดประตูบ้านใส่เธอก็เลยเกิดความเครียดขึ้นมาก็เลยถามเธอก็เลยถามว่าเนี่ยทำไงเธอถึงจะอยู่บ้านยังมีความปกติสุขเพราะว่า ทดไม่ได้กับปฏิกิริยาของเพื่อนบ้านที่โกรธเธอไม่คุยกับเธอหันหลังให้เธอตมก็ตอบไปว่าเนี่ยในการทำอะไรก็ตามเนี่ยแม้มันจะมีผลดีกับเราแต่ว่ามันก็อาจจะมีผลกระทบที่ไม่ดีกับเราตามมาด้วยเหมือนกัน เช่นเราไปบอกนิติกรให้ช่วยจัดการปัญหาปัญหาก็ได้รับการแก้คือไรเดอร์นะก็ไม่ได้มาจอดรถหน้าบ้านหรือมานั่งแช่ส่องมองบ้านเธอถ่ายรูปบ้านเธออันนี้ก็คือสิ่งที่เธอต้องการแล้วก็ได้จากการที่ไป ไปบอก น, ะนิติกรของหมู่บ้านหรือบอกส่วนกลางแต่ว่าทำแล้วก็ตามเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มีแต่ผลดีอย่างเดียวมันต้องมีผลกระทบที่ไม่ดีหรือที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ถูกใจเราตามมานี่เป็นธรรมดาไราเดอร์ไม่มารบกวนเรานะอีกต่อไปนะแต่ก็ต้อง ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เจ้าของร้านก็จะไม่พอใจทําอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีแต่ได้เดี๋ยวก็ต้องมีเสียเราได้สิ่งที่ปรารถนานะแล้วก็ต้องยอมรับผลเสียหรือผลกระทบที่ตามมาเสื่คือการที่เพื่อนบ้านเนี่ยไม่พอใจอาจจะเข้าใจผิดก็หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ก็ก็ไม่พอใจอันนี้มันก็เป็น เป็นสิ่งที่ตามมาจากการที่ไรเดอร์เขาไม่มารบกวนเราอีกต่อไปก็ต้องยอมรับนะเราจะไปคิดว่าเนี่ยทำอะไรเนี่ยมันจะมีแต่ผลดีหรือมีแต่ได้อย่างเดียวนี่มันมันไม่ได้หรอกทำอะไรก็ตามเนี่ยผลดีเกิดขึ้นก็ตาม แต่ว่ามันก็ต้องมีผลกระทบที่ไม่ดีที่ไม่ถูกใจเรานี่เป็นธรรมดาด้เวลาจะทำอะไรก็ต้องใคร่ควรวญก่อนด้วยซ้ำนะเออถ้าเราไปบอกนิติกรแล้วระเดอกขไม่มามานั่งแช์ที่ร้านบ้านตรงข้ามมันจะเกิดผลกระทบอะไรตามมาก็ต้องใค ร, คร่ครวญแล้วก็ช่างตองว่า หรือชั่งน้ำหนักว่าเออเราโอเคไหมถ้าอยากให้ไรเดอร์นี่เขาไม่มาตรงข้ามบ้านเราแล้วเจ้าของบ้านหรือเจ้าของร้านเขาไม่พอใจไม่พอใจเราอันนี้ก็ต้องใคร่ครวญดูจะทำอะไรโดยที่มันมีแต่ผลได้หรือสิ่งที่ถูกใจเราล้นลนเนี่ยมันไม่มีนะมันยาก การที่มาเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเราก็ต้องยอมรับเร า, า จ, จะไม่เครียดเรื่องไรเด้อีต่อไปแต่ก็ต้องเจอกับปฏิกิริยานในทางลบหรือความไม่เข้าใจของเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วคนเรานี่ถ้าว่าทําะายเรื่องคิดแต่ว่ามันมีแต่ผลดีอย่างเดียวไม่มีผลเสียเลยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เข้าใจความเป็นจริงของโลก มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแขับแท็กซี่แต่ก่อนเนี่ยเคยทำงานบริษัทนะกินเงินเดือนแต่พบว่าไม่ค่อยมีอิสระนะแกชอบอิสระนะก็เลยเลือกที่จะมาขับแท็กซี่แต่พอขับแท็กซี่แล้วก็ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบนะ อาจจะได้แก่ลูกค้าผู้โดยสารที่ไม่เรียบร้อยไม่น่านรักหรือที่หนีไม่พ้นคือเจอรถติดแต่แท็กซี่คนนี้เนี่ยแกก็ทำใจได้นะรถติดแกก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรจนกระทั้งผู้โดยสารคนหนึ่งถามนะีไม พี่ไม่เห็นเดือดร้อนเลยหงุดหงิดเลยที่รถติดนะเพื่อสารทางยิ่งเพราะว่าตัวเองเนี่ยร้อนใจมากนะที่รถติดขนาดนี้เห็นแท็กซี่นี่ไม่มีอการหงุดหงิดเลยสบายๆเั้าหน้ที่ธรรมดาแท็กซี่ก็ต้องทำเวลาแล้วก็อธิบายว่าเนี่ยคนเราจะทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าจะต้องเจออะไร เช่นจะมีอาชีพอะไรก็ต้องรู้ว่าจะต้องเจออะไรบ้างผมเลือกแท็กซี่เพราะผมรู้ตั้งแต่แล้ ว, ว่าจะต้องเจอรถติดอันนี้เมื่อผมเลือกที่จะเป็นแท็กซี่นะผมก็ต้องยอมรับนะว่าการเจอรถติดเป็นเรื่องธรรมดาเป็นแท็กซี่ก็อิสระกว่าการเป็นพนักงานกินเงินเดือนแต่ก็ต้องเจอกับรถติดนะ จราจรแน่นขนาดเป็นประจำอันนี้พอแกยอมรับได้แ่ก็ไม่ทุกนะเพราะเลือกแล้วอันนี้เป็นวิสังคนที่อ่าใคร่ครวญจนะทํอะไรก็ต้องดูว่ามันมีข้อดีอย่างไรมีข้อเสียอย่างไรหรือถึงแม้จะไม่ได้ใคร่ครวนแต่เมื่อเราได้รับข้อดีได้รับสิ่งที่ ปรารถนาก็ต้องยอมรับสิ่งที่ไม่ถูกใจที่เกิดขึ้นตามมาจากการกระทาของเราอย่างเช่นกรณีผู้หญิงคนนี้คือว่านะเจ้าของร้านเขาหรือเพื่อนบ้านตรงข้ามเขาไม่พอใจเน่ที่จริงแล้วเาบอ ก, กต่อไปนะว่าเออเราก็ต้องรู้จักปล่อยว่างมั่งนะเขาไม่พอใจเรามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะ เพราะว่าในโลกนี้เนี่ยมันจะมีแต่คนที่รักเราเข้าใจเราทุกคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีคนที่เข้าใจเราชอบเราแล้วก็คนที่ไม่เข้าใจเราและคนที่ไม่ชอบเรานถ้าไปคาดหวังให้ทุกคนชอบเราหมดนะก็จะต้องทุกข์อย่างแน่นอนเมื่อยอมรับว่าเนี่ยมันก็ในโลกนี้มันก็มีทั้งคนที่ชอบเราและไม่ชอบเราเข้าใจเราถูกเข้าใจเราผิด ก็มีทั้งนั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีคนที่ทเขาไม่ชอบเราเขาไม่อยากคุยกับเราก็อย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันมากเพราะมันเป็นธรรมดาโลกมันก็ไม่ก็ไม่ต่างจากคำนินทานะทำดีแค่ไหนก็ถูกคนนินทาแมไม่ทำเลยก็ยังถูกคนนินทาในขณะพิจารนียก็ยังมีคนนินทา แล้ไม่ใช่เดินทางเดียวว่าร้ายไม่ใช่ว่าแรงาเดียวใส่ร้ายจริงๆมักยิ่งอะไรหนะคือทําร้ายเลยหรือมุ่งร้ายหมายชีวิตอันนี้เป็นธรรมดาโลกนไอ้เรื่องคนที่ไม่ชอบไม่ชอบเราคนที่อันหลังให้เราไอท้ที่ที่เราทุกเนี่ยไม่ใช่พ่อเราเพ่อเขาทําอย่างนั้นกับเราหรอกที่เราทุกเพราะเราไปคาดหวังว่าเขา ควรจะทำดีกับเราก็าควรจะยิ้มให้เราเพราะเป็นเพื่อนบ้านกันแต่ถ้าเราไม่คาดหวังนะว่าเขาต้องดีกับเราต้องมีคนที่เนะข้าใจเราถูกหมดเราก็ไม่ทุกข์หรอกนะที่มีคนบางคนที่เขาไม่เข้าใจเราโดยเฉพาะเมื่อเราทำสิ่งที่สมควรทำไม่ได้ไปกันแกล้งอะไรเขาไม่ได้ทำผิดคิดร้ายกับใครแต่ก็ยังมีคนที่ไม่พอใจเราก็ เป็นเรื่องธรรมดาเรียกว่าธรรมดาโลกจะไปทุกข์ร้อนกับมันทำไมอีกยาหนึ่งเนี่ยก็บอกเขาว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยปัญหาของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ที่มันไม่ยู่ที่ไรเดอร์มันไม่ใช่ที่เพื่อนบ้านหรอกมันที่ใจเขาเองอะที่ชอบคิดลบคิดร้ายนะนอกจากไปคาดหวังว่าเพื่อนบ้านต้องพูดดีกับเราหรือคาดหวังวต้องมีคนทำดีกับเราแล้วเนี่ย ปัญหานี้ก็คือการที่ชอบคิดลบคิดร้ายเห็นไรเดอร์มาอยู่หน้าบ้านก็เกิดความระแวงนะว่าจะมีบางคนที่คิดไม่ดีกับเราหรือเปล่าถ่ายรูปหน้าบ้านเราเพื่ออะไรระวังเนี่ยมันดีนะแต่ถ้าระแวงเนี่ยมันไม่ดีแล้วละคนส่วนใหญ่แย่ไม่ออกนะระหว่างระวังกับระแวง พอระวังมากไปกลายเป็นระแวงพอระแวงเนี่ยเราทุกข์แล้วแล้วที่ระแวงเนี่ยไรยเดอร์นจนกระทั่งเครียดเนี่ยต้องไปหาจิตแพทย์นเนี่ยมันเป็นที่ตัวเองนะเพราะว่าไราเดอร์ตั้งตลอด3ามส่เดือนที่เขามาอยู่หน้าบ้านก็ไม่ได้มีใครที่ทำอะไรไม่ดีกับเราไม่ได้มีมิจฉาชีพมามาสวมรอย ทุกอย่างก็ปกติแต่เจ้าตัวหรือตัวเธอเองเนี่ยกับเครียดจนต้องมีอาาจิตแพทย์อันนี้มันแสดงเป็นเป็นัเนเป็นที่ใจของเธอที่คิดลบคิดร้ายคิดระแวงถามว่าทำไงเธออยู่อย่างปกติสุขก็คงไม่ใช่ว่าไปขอให้เพื่อนบ้านกลับมายิ้มให้เรากลับมาดีกับเราเพราะเราไม่สามารถจะควบคุมบงการเขาได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือรักษาใจของเรา เวลามีความคิดลบคิดร้ายคิดระแวงก็ให้มันรู้ทั น, นอย่าให้มันมาครอบงำใจอย่าไปหลงเชื่อความคิดเหล่านั้นหรือว่ายอมรับความจริงว่าเนี่ยทำอะไรเนี่ยมันมันจะไม่ใช่มีแต่ข้อดีสมใจสมปรารถนาย่างเดียวในสิ่งที่ไม่สมปรารถนาหรือที่ไม่ไม่ชอบก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ ทำอะไรมันไม่มีแต่ผลได้ 100% อไอ้ข้อเสียหรือข้อไม่ดีก็ต้องเกิดขึ้นนี่เป็นธรรมดาโลกนะที่เขาเรียกว่าทำอะไรก็มีทั้งได้และเสียดีกับเสียนี่เป็นของคู่กันอย่างเช่นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเรามีความสะดวกสบายในชีวิตมากขึ้นและสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความสะดวกสบายมากขึ้นก็คือโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือนี่โอ้มันทำให้เราสะดวกสบายมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะแต่ขนาดเดียวกันมันก็ทำให้วิชาชีพเนี่ยสะดวกในการที่จะมารบ ก, กวนมารังควาหรือว่ามาลวงเอาเงินของเราไปและเดี๋ยวนี้มันก็มาหลายรูปแบบนะในในระหว่างที่เรามีความสะดวกในการซื้อนั่นซื้อนี่ติดต่อคนนั่นคนนี้ แต่ก็ต้องยอมรับ ว, ว่ามันมีสิ่งที่เราต้องยอมแลกนะอย่างทเทวตมาคือผู้ว่าเนี่ยความสะดวกมันมาพราะความเสี่ยงเราได้ความสะดวกแต่ว่ามันก็เสี่ยงต่อการที่มิจฉาชีพจะเข้ามาถึงตัวเราได้ง่ายกว่าแต่ก่อนเรื่องนี้มันก็มาหลายรูปแบบนะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวนี้การทําบุญเป็นเรื่องที่สะดวกมากขึ้นเลยนะเราสามารถที่จะทําบุญ บริจาคเงินออนไลน์นแต่ปรากฏว่าถ้าไม่ระวังนะในบัญชีเงินที่เราโอนไปนี่อาจจะเป็นบัญชีปลอมก็ได้นุโมธนาบัตดที่เดี๋ยวนี้เราสามารถจะขอทางออนไลน์ได้เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยปรากฏว่าก็ต้องระวังเพราะว่าเราอาจจะหลอกให้เรา ใส่ข้อมูลส่วนตัวซึ่งเป็นประโยชน์กับเขาเช่นเลขที่บัตรประชาชนเดี๋ยวนี้เนี่ยเวียนเทียนก็ง่ายนะเวียนเทียนทางอินเทอร์เน็ตนัเรียกเวียนเชียนออนไลน์นะแต่ปรากฏว่าวิชาชีพมันก็มาเหมือนกันนะชวนเราเวียนเชียนออนไลน์แต่ว่าพอพอเราโหลดแอปไปนี่ปรากฏว่ามันเป็นแอปโจร น, นะที่สามารถที่จะล้วงหรือควบคุมโทรศัพท์มือถือของเรา จากทางไกลที่เขาเรียกรีโมทได้อยากจะอยากจะเวียนเทียนโดยที่ไม่ต้องมาวัดเวียนเทียนโดยอยู่บ้านนี่สะดวกนะแต่ว่ามันก็เพิ่มความเสี่ยงเหมือนกันเหมือนกับเดี๋ยวนี้จะซื้อวัตถุมงคล น, นะซื้อพระเครื่องนี่ซื้อได้ง่ายเลยนะออนไลน์แต่พอได้ของมานี่อาจจะไม่ตรงกับที่ต้องการอาจจะเป็นของปลอมด้ซ้ํา เดีย๋ยวนี้แม้กระทั่งสะดอกเคราะห์นะสะดอกเคราะแก้กรรมไม่ต้องไปหาแล้วไปหาไม่ต้องไปหาพระแล้วไม่ต้องไปวัดเนี่ยออนไลน์เลยนะสะดอกเคราะแก้กรรมหรือดูดว ง, งแต่ปรากฏว่าเราอาจจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะที่เขาให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวรวมทั้งวันเดือนปีเกิดเสร็จแล้วเขาก็มาแฮกเอาเงิน ในบัญชีธนาคารของเราไปให้ความสะดวกนะที่มาที่มาเพราะกระโถงสมมือถือทำให้เราทําบุญได้สะดวกแต่ข้อเสียคือมันก็ทําให้เรามีความเสี่ยงมากขึ้นเดี๋ยวว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังมันไม่มีความสะดวกอะไรที่ได้มาฟรีๆนะเราได้ความสะดวกอย่างหนึ่งเราก็ต้องเสียอะไรไปบางอย่างหรือต้องเราต้องยอมแลกอะไรไปบางอย่าง เช่นมีความเสี่ยงมากขึ้นให้ลองพิจารณาดูดีๆนะการที่เราทำอะไรก็ตามเนี่ยอาจจะได้สิ่งที่ประสงค์แต่ว่าก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างหรือไอ้ต้องเจอกับทุกตามมาอันนี้ไม่เป็นแมก้กระทั่งความสุขนะความสุขที่ได้จากเงินทองได้จากวัตถุสิ่งเสพ ความสุขที่ได้จากคําสรรเสริญชื่อเสียงกิตติยศมันเป็นความสุขที่หอมหวนมากเลยที่มีเสน่ห์มากที่ผู้คนนี้ก็พากันแสวงหาความสุขนะจากวัตถุสิ่งเเสพส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นสุขที่เกิดขึ้นได้เร็วแค่กินอาหารอร่อยก็มีความสุขแล้วแค่ได้ฟังเพลง ไม่กี่วินาทีก็มีความสุขแล้วหรือว่าพอได้เงินมาได้รางวัลได้ทรัพย์ได้โชคได้ลามันก็มีความสุขแล้วอันนี้คือข้อดีนะหรือเสน่ห์ของความสุขจากวัตถุสิ่งเสพที่เราเรียกว่าการมาสุขแต่ก็อย่างที่บอกมันไม่มีอะไรที่ที่ดีล้วนๆ น, นะความสุขแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องแลกนะแลกกับความแลกกับ ความทุกข์ที่จะต้องตามมาเพราะว่าสุขแบบนี้นอกจากมันจะหายเร็วแล้วเนี่ยมันจะเป็นสุขที่เจือไปด้วยทุกข์ด้วยเมื่อได้เงินมีความสุขเมื่อได้รับชื่อเสียงมีความสุขเมื่อมีเกียรติยศก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่พอเราสุขเมื่อไหรก็เตรียมใจทุกข์ได้เลยไม่ช้า ก, ก็เร็วนะเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยง มันเป็นของที่ไม่ยั่งยืนมันเป็นของที่ชั่วคราวได้อะไรมาสุดท้ายก็ต้องเสียมันไปได้ชื่อเสียงเกียรติยศได้คำชนได้คำสรรเสริญวันหนึ่งเขาก็คนที่ให้เขาก็ดึงไปได้รับชื่อเสียงได้รับเกียรติยศหรือได้ตำแหน่งวันหนึ่งก็ต้องเสียมันไปเพราะเขาเอาคืนไป อันนี้คือสิ่งที่เราต้องต้องยอมรับหรือต้องเห็นให้มันทะลุแล้วคนที่สร้างหาความสุขหรือได้ความสุขชนิดนี้เนี่ยถ้ า, าว่าไม่ตระหนักว่ามันมีทุกข์ที่เจือปนอยู่หรือมันมีทุกข์ที่จะตามมาหรือไม่ตระหนักว่าของนี้มันไม่เที่ยงถึงเวลาที่เสื่อมลาบเสื่อมยศก็จะทุกข์ เช่นเดียวกันนะความสมหวังในรักเนี่ยนะเหมือนกันนะมันให้ความสุขที่ดื่มด่ำนะแต่ว่ารักกับเลิกมันก็เป็นของคู่กันเมื่อคิดที่จ ะ, อ, ะอยู่กับความสุข น, นี้ก็ต้องเตรียมใจรับกับความสูญเสียที่จะตามมาหรือความผิดหวังที่จะตามมาแต่เป็นเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะเห็นแต่ด้านดีของมันหรือคิดแต่จะเอ า, อาคิดแต่ได้ คิดแต่ได้เนี่ยแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะมีผลเสียอะไรตามมาพอถึงเวลาที่สูญเสียมันไปถึงเวลาที่ต้องเสื่อมจากสิ่งที่มีก็เลยทุกข์ระทมนะเรียกว่ารับแค้นใจเศร้าโศกบางทีก็เสียสูญไปเลยนี่เป็นเพราะว่าผู้คนไม่ได้คิดว่าเนี่ยไอความสุขที่มีเนี่ยมันเป็นของฟรี แต่ไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆนะเราต้องเสียอะไรบางอย่างไปไอ้เสียนี่ไม่ใช่แค่เสียเงินเพื่อได้รถได้บ้านหรือเสียเวลากับโทรศัพท์นะกับสิ่งเสพเราเสียยิ่งกว่า น, นั้นเสียอิสรภาพนะทำให้เราต้องผูกติดอยู่กับสิ่งนั้นความสุขเราผูกติดอยู่กับสิ่งนั้นพอสิ่งนั้นหายไปเสื่อมไปเสียไป นะความสุขที่มีก็สูญสลายไปด้วยเกิดความทุกข์เข้ามาแทนที่งั้นถ้ารักจะหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเตรียมใจพร้อมรับความทุกข์ด้วยหรือเตรียมใจพร้อมรับความสูญเสียความไม่เที่ยงถ้าเตรียมใจได้เนี่ยมันก็ไม่ทุกข์มากนะแต่ส่วนใหญ่ไม่เตรียมใจเพราะคิดว่ามันเี็นแต่ ด, ดีล้นลอันนี้ก็เป็นความเข้าใจไปลึกความหลงอย่างหนึ่งที่ทําให้ผู้คนต้องจมอยู่ในความทุกข์